วันเวลาก็ค่อยผ่านไปผ่านไปเวลานี่เปรียบเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลไปแล้วก็ไม่ไหลกลับชีวิตของเราก็ไหลไปกับเวลาค่อยคหมดไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วไม่นาน ชีวิตก็ต้องถึงวาระจบวาระสิ้นสุดโลกเวลาจึงเป็นเหมือนกับงูที่กืนกินสรัรพสัต์สรัรพสิงทั้งหลายเวลาไม่คอยใครเวลาเขาไหลไปเขาเดินไปตามหน้าที่ของเขา พวกเราก็ต้องแข่งกับเวลาเราก็ต้องรีบทำหน้าที่ของเราก่อนที่เวลาจะเอาชีวิตของพวกเราไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้เรายังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คืออย่าอยู่เฉยๆให้รีบทำหน้าที่ของเราทำประโยชน์ให้กับตัวเราก่อนเมื่อเราได้ทำประโยชน์ของเราครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็ให้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป โดยการให้ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะถ้าเราไม่ระลึกถึงความตายเราก็จะลืมเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆแต่ความตายนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะตายกันเมื่อไหร่คนที่ วร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ดีๆก็ตายไปได้บางทีก็ตายด้วยอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี้ก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นความตายจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะคาดกันได้จะกำหนดกันได้ว่าจะตายอายุเท่านั้นจะตายอายุเท่านี้น ก็มีคนตายทุกอายุเด็กเกิดมาวันหนึ่งตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีปีหนึ่งตายก็มีสิปีตายก็มี20สิบปีก็มีสาสปีก็มีมีทุกวัยความตายนี้เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยไม่มีใครไปกําหนด ความตายของตนเองได้จึงไม่ควรประมาทนอนใจให้เราหมั่นเตือนตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าความตายนี้เป็นของที่แน่นอนเราจะต้องตายสักวันใดวันหนึ่งถ้าทางที่ดีให้คิดเสียว่าอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้ ถ้าเราคิดว่าเราจะตายวันนี้เราจะไปทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ทำไมเราก็ต้องมาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราถ้าเราคิดว่าเรายังมีเวลาอยู่เราก็จะไม่มาทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็จะไปทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับเรา เราอย่าประมาทขอให้เรานึกถึงความตายอยู่เรื่อย เ, อยเมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเราก็จะได้เลือกทําสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่เป็นโทษเราก็อย่าไปทํามันพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราก็คือบุญกุศละ สิ่งที่เป็นโทษก็คือบาปอาคุณต่างๆและสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สูงสุดก็คือการชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะถ้าใจของเราสะอาดบริสุทธิ์แล้วใจของเราก็จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจาก ความทุกที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายพอจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่พระเจ้าทรงเล็งถึงให้พวกเราทำกันให้ได้คือชําระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาเกิดกันอยู่ อย่างไม่มีวันจบสิ้นเกิดมาแล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายพอตายแล้วถ้ายังมีความอยากอยู่ในใจความอยากก็จะดึงให้ใจเรากลับมามีร่างกายอันใหม่มาใช้ร่างกายอันใหม่เพื่อทำตามความอยากต่างๆแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย เราทำอย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลานับไม่ถ้วนจำนวนของการมาเกิดนี่ว่ามาเกิดกันแล้วกี่ครั้งและจะเกิดกันต่อไปอีกกี่ครั้งถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมคำสอนพบกับพระอริยสงสาวก เราจะไม่รู้เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของเราเลยเราจะคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเราจะคิดว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราก็จบชีวิตเราก็จบเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความอยากจะทำอะไรเราก็ต้องทากันให้มากๆแต่เราไม่รู้ว่าการกระทาความอยากนี้ เป็นการให้ความสุขเราชั่วคราวชั่วเดียวเดียวเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไปพอจางหายไปก็ทำให้เราเกิดความอยากที่จะหาความสุขใหม่แล้วถ้าเราไม่ไม่สามารถหาใหม่ได้เราก็จะเกิดความทุกข์ใจแล้วเวลาเราตายไป เราก็ยังจะกลับมามีร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะมาหาความสุขแบบควันไฟนี้ใหม่เราก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนับไม่ถ้วนจำนวนปริมาณน้ำตาที่เราหลั่งออกมาในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้าเราเก็บสะสมไว้มารวบรวมกัน ท่านว่ามันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดดูกนแล้วกันว่าเราจะต้องกลับมาเกิดกลับมาร้องไห้กี่ครั้งด้วยกันถึงจะมีน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นคือปริมาณของภพชาติที่เรามาเกิดกันแลนะปริมาณของความทุกข์ที่เรามีกัน จะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ยินถึงเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วได้ยินถึงวิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดพราะพระพุทธเจ้าได้สรงคนพบ ต้นเหตุที่ทำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันต้นเหตุก็คือตัณหาสามประการความอยากสามประการคือหนึ่งกามะตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสองความอยากมีอยากเป็นอยากมีในสิ่งที่เราไม่มีอยากเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นเรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็ วิภาวาตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่มีในสิ่งที่เรามีอยากไม่เป็นในสิ่งที่เราเป็นก็จะทำให้เกิดความดิ้นรนของจิตใจทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราสามารถหยุดความอยากทั้งสามประการนี้ได้ใจของเราก็ไม่ต้องดิ้นไม่ไม่ต้อง ไปหาอะไรต่อไปพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่การที่เราจะหยุดตันหาความอยากต่างๆได้ก็ต้องเกิดจากการมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบออวิธีที่จะ หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้มันหมดไปถ้าเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ <c oughs> เมื่อไม่มีความอยากอยู่ในใจใจก็จะไม่มีอะไรผลักดัน ให้มามีร่างกายอีกต่อไปเมื่อไม่มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพระก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายเมือ่อไม่มีความอยากมีอยากเป็นอะไรก็ไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือคอยพาเราไปหาสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นกัน ถ้าไม่มีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเราก็ไม่ต้องทำอะไรเราก็อยู่เฉยๆแต่ถ้ามีเราก็ต้องดิน้นหนีสิ่งที่เราไม่อยากมีสิ่งที่เราไม่อยากเป็นดิ้นก็ทำให้เราทุกข์ดิ้นก็ดิ้นเพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่าที่เราไม่อยู่สิ่งที่ได้มาเดี๋ยวมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไป เพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มาในโลกนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนได้จากสิ่งที่ดีก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เช่นร่างกายของเราได้มาแล้วเวลาได้มาใหม่ๆมันก็ดีมีแต่การเจริญเติบโตแต่พอมันเจริญเติบโตเต็มที่ มันก็จะเริ่มแก่ลงไปเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มตายพอเจอสภาพอย่างนี้ก็อยากจะหนีจากมันไปอยากจะหนีความแก่ความเจ็บความตายไปก็หนีไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาร่างกายที่ เ, เกิดใหม่ที่ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายในตอนต้นแต่ได้มากี่ร่างกายก็หนีไม่พ้น ที่จะต้องพบกับความแก่ความเจ็บความตายตอบต่อมาดังนั้นวิธีที่จะไม่ต้องมามีร่างกายก็คือเราต้องหยุดความอยากเหล่านี้เมื่อเราหยุดความอยากเหล่านี้ใจของเราก็จะอยู่เฉยๆร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บมันตายไป แล้วเราก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เพราะเราไม่มีความอยากได้อะไรอีกต่อไปไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผธพระไม่อยากมีอยากเป็นเราก็จะไม่ต้องมาเกิดการไม่มาเกิดไม่ได้หมายความว่าเราหายไปไหนเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ดีกว่าตอนที่มีร่างกาย เพรามีร่างกายก็เป็นเหมือนมีภาระที่เราจะต้องแบกหามร่างกายนี้เป็นภาระที่เราต้องคอยเลี้ยงดูเราดิ้นนนนกันเราต่อสู้กันก็เพื่อที่จะเลี้ยงดูแลรักษาร่างกายให้มันอยู่อย่างปกติสุขแล้วเราก็ต้องมาดิ้นกับการใช้เงินใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขต่างๆ หาได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอเพราะความสุขที่ได้มันเป็นความสุขเดียวเดียวเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วมันก็หมดไปหมดไปก็ทำให้เราหิวกับความสุขแบบนี้อีกเราก็ต้องคอยหามันอยู่เรื่อยๆหาไปจนกว่าเราจะไม่สามารถหาได้พอเราหาไม่ได้ เราก็อยู่กับความทุกข์อยู่กับความว้าเหวอยู่กับความเศร้าซ้อยหงอยเหงาอยู่กับความซึ่อมเศร้าจึางทําให้อยากที่จะหนีจากสภาพเหล่านี้ไปบางคนก็ต้องคิดหาทางฆ่าตัวตายเพราะคิดว่าจะเป็นการหนีจากความทุกข์เหล่านี้แต่การฆ่าตัวตายมันก็เป็นการหนีชั่วคราว เดี๋ยวก็ต้องไปเกิดใหม่อีกไปเกิดใหม่แล้วก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ต้องไปดิ้นรนกับร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปเจ อ, อความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันใหม่นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาวิธีที่จะแก้ปัญหาต้องทำใจของเราให้เฉยเฉยทำใจของเราไม่ให้มีความอยาก เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายก็อยากไปอยากให้มันไม่แก่อยากไปอยากให้มันไม่เจ็บอยากไปอยากให้มันไม่ตายแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์เวลาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็อยากไปอยากมีรูปเสียงกลิ่นรสผลพระก็อยู่เฉยๆไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย หรือเวลามีความอยากเป็นอยากมีอะไรก็อยากไปอยากมีอยากเป็นให้อยู่เฉยๆดีกว่าเพราะการอยู่เฉยๆของใจนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากต่างๆอันนี้เป็นความจริงที่เราไม่รู้กันเรากลับคิดว่า การได้ทำตามความอยากแล้วจะทำให้เรามีความสุขแต่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบว่าการไม่ทำตามความอยากการอยู่เฉยๆนี่แหละเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการทำตามความอยาก mm hmm. จึงทำให้พระองค์นี้มีแต่ความสุขตลอดเวลาเพราะเป็นความสุขที่ยาวนานที่ถาวร ไม่ใช่เป็นความสุขชั่วคราวเหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากการกระทำตามความอยากต่างๆนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรานี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อหาความสุขแบบไหน ตอนนี้เรายัางหาความสุขแบบชั่วคราวกันอยู่มันจึงทำให้เราต้องหาอยู่เรื่อยๆหาได้มามากน้อยเพียงไรเดี๋ยวมันก็หายไปความสุขนั้นแล้วก็ทำให้เราต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆหาไปจนถึงวาระที่ไม่สามารถที่จะหาได้เวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาร่างกายจะตายเนี่ยเราก็จะไม่สามารถหาความสุขต่างๆได้เมื่อไม่สามารถหาความสุขได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์นี่คือความสุขที่พวกเรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้ที่พระพุทธเจ้าก็เคยหามาก่อนพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นพระราชษฎรสน เ, เป็นผู้ที่ มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมีความสุขจากทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจากบุคคลต่างๆแต่ท่านก็เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่สามารถจะเติมได้เวลานั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไป หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายพระ อ, องค์ก็ทรงเห็นว่าต่อไปความสุขที่พระ อ, องค์มีอยู่ในขณะนี้จะต้องหมดไปเพราะเมื่อเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้พระ อ, องค์ก็เลยทรงคิดหาทางใหม่หาความสุขแบบใหม่เห็นพวกนักบวช ก็เลยไปศึกษาพวกนักบวชเขาก็เป็นผู้ที่กำลังหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคะความสุขที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือความสุขที่ที่ใช้ใช้จิตใจเป็นเครื่องมือใช้จิตใจหยุดความคิดของตนเองหยุดความคิดของจิตใจ เวลาจิตใจหยุดความคิดใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่อยู่ได้นานกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายแนะใจนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจที่มีความสงบ ก, ก็ยังมีความสุขต่อไปได้ เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจที่มีความสงบ ก, ก็ยังมีความสุขได้พระพุทธเจ้าจึงตัดสินพระไตยสัลลาดาจะสมบัติสละความสุขทางร่างกายไปแล้วก็ไปหาความสุขทางจิตใจจนได้ที่สุดก็ได้ทรงค้นพบความสุขจิตใจที่ถาวรความสุข ของจิตใจที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดนะแล้ขณะนี้พระพุทใจของพระพุทธเจ้าก็ยังมีความสงบมีความสุขอยู่ใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าใจของพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะมาติดต่อกับใจของพวกเราได้เพราะไม่มีร่างกาย พวกเราที่เรายังติดต่อกันได้อยู่นี้ก็เพราะว่าเรายังมีร่างกายอยู่แต่พอร่างกายของเราหรือของคนที่เรารู้จักตายไปเราก็จะไม่สามารถติดต่อกับคนที่ไม่มีร่างกายแล้วแต่การไม่มีร่างกายไม่ได้หมายความว่าคนที่เรารู้จักนั้นตายไปหายไปเขาตัวเขาเองยังไม่หาย ตัวที่หายตัวที่ตายก็คือร่างกายที่เป็นเหมือนกับเครื่องมือที่เราใช้ติดต่อกันร่างกายของเราถ้าจะเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือส่วนใจก็คือตัวเราที่ใช้โทรศัพท์มือถือเวลาเราจะติดต่อกับใครที่มีโทรศัพท์มือถือเราก็สามารถกดเบอร์ของเขาเขาจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะ ติดต่อพูดคุยกับเขาได้แต่ถ้าเกิดเครื่องโทรศัพท์เขาเสียเราก็จะไม่สามารถติดต่อกับเขาได้หรือถ้าโทรศัพท์ของเราเสียเราก็จะไม่สามารถติดต่อกับโทรศัพท์เครื่องอื่นได้เลยแต่ร่างกายของเราตอนนี้เรามีร่างกายอยู่เราจรึงสามารถติดต่อกับคนนั้นคนนี้ได้ติดต่อกับร่างกายของคนอื่นได้ แต่ถ้าร่างกายของเราไม่มีเราก็จะไม่สามารถติดต่อกับร่างกายของผู้อื่นได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านะหลังจากที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าตายไปแล้วใจของท่านก็ไม่สามารถที่จะมาติดต่อกับพวกเราได้แต่ใจของท่านไม่ได้ตายไม่ได้หายไปใจของท่านก็ยังอยู่เหมือนก่อนที่ การที่มีร่างกายอยู่แล้วนะท่านก็อยู่แบบสบายกว่าเพราะการมีร่างกายก็เป็นเหมือนกับการมีภาระเหมือนกับการที่เรามีโทรศัพท์กับไม่มีโทรศัพท์ถ้าเราไม่มีโทรศัพท์เราก็ไม่มีภาระไม่ต้องมีไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายค่าโทรศัพท์ค่ารายเดือนหรือค่าโทรต่างๆต้องค่าไฟไว้สําหรับ ชาร์จแบตเตอรี่ถ้ามีโทรศัพท์มันก็มีภาระมีรายจ่ายร่างกายก็เหมือนโทรศัพท์ถ้ามีร่างกายมันก็มีรายจ่ายเพราะเราก็ต้องไปหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายถ้าร่างกายไม่มีปัจจัยสีร่างกายก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือตายไปได้ ถ้ามีร่างกายเราก็ยังต้องมีภาระเลี้ยงดูร่างกายอยู่ถ้าไม่มีร่างกายเราก็ไม่ต้องมีภาระแต่ใจของพวกเรายังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่เราจึงต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยๆพ อ, ร, อ, อร่างกายอันนี้าตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนกับถ้าเรายังต้องใช้โทรศัพท์มือถืออยู่เรื่อยๆ ถ้าโทรศัพท์เครื่องนี้เสียเราก็จะต้องไปซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนเพราะเรายัางต้องอาศัยโทรศัพท์มือถือในการทำอะไรต่างๆอยู่แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือแล้วถ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้เสียไปเราก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่มาให้เป็นภาระเปล่าๆเมื่อเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์เราจะซื้อมาทำไมซื้อมาแล้วก็ต้องคอยชาร์จแบต ใช้มาซื้อมาแล้วก็ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนต่างๆ <Yeah. S 1> แต่ร่างกายก็เป็นอย่างนั้นถ้าใจยังต้องใช้ร่างกายใจก็ยังจะต้องหาร่างกายอันใหม่มาทดแทนร่างกายอันเก่าที่ตายไปแต่ถ้าใจไม่มีความอยากที่จะใช้ร่างกายแล้วใจก็ไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่แต่ใจก็ยังเหมือนเดิม ใจที่มีร่างกายกับใจที่ไม่มีร่างกายก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมแต่ใจที่ไม่มีร่างกายที่ไม่ต้องใช้ร่างกายนี้เป็นใจที่จะสบายกว่าใจที่ต้องมีร่างกายต้องใช้ร่างกายเพราะใจที่ไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องทุกข์กับร่างกายไม่ต้องทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์กับความเจ็บไม่ต้องทุกข์กับความตายใจที่ ยังต้องมีร่างกายก็ต้องมาทุกขกับการเลี้ยงดูร่างกายทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายของร่างกายและต้องมาทุกขกับการพัดพาจากของต่างๆจากบุคคลต่างๆที่เราได้มาพบที่เราได้มาสัมผัสนี่คือความแตกต่างระหว่างใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพวกเราใจของพระพุทธเจ้าตอนนี้มีแต่ความสุข มีแต่ความสบายไม่มีความทุกข์ไม่มีภาระที่จะต้องแบกหามไม่เหมือนกับใจของโวกเราที่ยังมีภาระอยู่ที่ยังต้องแบกหามร่างกายอันนี้อยู่ต้องคอยเลี้ยงดูร่างกายอันนี้แล้วก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายอันนี้และมาทุกข์กับการสูญเสียทุกข์กับการพัดพาคจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆที่เราได้มาพบได้มารู้จัก พอร่างกายเราตายไปเราก็ต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเราก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าสุขเสียใจทุกทรมานใจกันเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าการมาเกิดนี้ไม่ดีเราต้องมาหยุดการมาเกิดกันหน้าที่ของพวกเราหลังจากที่เราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้ว เราจะได้รู้ว่าหน้าที่ของเราหรือประโยชน์ที่แท้จริงของเรา<ม>ก็คือการไม่มาเกิดเพราะถ้าเราไม่มาเกิดแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะมีแต่ความสุขไปตลอดถ้าเรามาเกิดเราก็จะต้องทุกข์ความสุขที่เราได้ก็เป็นความสุขเดียวเดียวความทุกข์ที่เราได้จากการมาเกิดนี้มันมีมากกว่าความสุขที่เราได้ได้ไม่คุ้มเสียสู้ไม่มาเกิดดีกว่า ว่าไม่มาเกิดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขไปตลอดนี่แหละคือประโยชน์ที่พระเจ้าทรงเล็งให้พวกเรามาบำเพ็ญมาทำกันคือมายุติการเวียนว่ายตายเกิดกันมาหยุดความอยากกันมาหยุดความอยากแล้วพอเราหยุดได้แล้วเราก็ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ เราก็เอาเวลาที่เหลือนี้มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นมาบอกมาสอนผู้อื่นที่ยังไม่รู้ถึงความทุกข์ที่เขากำลังแบกอยู่ให้เขาหยุ ด, ดให้เขาดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเขานี่คือประโยชน์ของผู้อื่นประโยชน์ของตนก็คือการกำจัดความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้ให้หมดไปก่อนเมื่อหมดแล้วเราก็ไปช่วยสั่งสอนผู้อื่นที่เขาสนใจผู้ที่ไม่สนใจก็อย่าไปสอนให้เสียเวลาเพราะเขาจะไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าการไม่มาเกิดมันจะดีกว่าการมาเกิดได้อย่างไรเพราะการมาเกิดจะทำให้เขาสามารถทำอะไรต่างๆที่เขาอยากทำได้ แต่เขาไม่ได้มองถึงเวลาเวลาที่เขาอยากทำแล้วเขาไม่ได้ทำหรือเวลาเขาต้องสูญเสียสิ่งที่เขาได้มาไปว่ามันเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์กันแน่ถ้าเขาไม่คิดเขาจะไม่รู้แต่ถ้าเขาคิดอย่างรอบคอบเขาก็จะเห็นว่าความสุขที่ได้กับความทุกข์ที่ได้นี้มันไม่คุ้มกันความสุขที่ได้มันเป็นความสุขเดียวเดียว แต่ความทุกข์ที่ได้เป็นความสุขที่หนักที่แรงและที่นานกว่า <Yeah. S 1> ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามคิดถึงเรื่องการสิ้นสุดของชีวิตเราเพราะร่างกายเราเมื่อมันตายไปเราก็จะไม่สามารถทําประโยชน์ให้กับเราได้ไม่สามารถยุติการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้ เราจะทำได้ก็ตอนนี้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ดังนั้นเราควรจะเปลี่ยนเป้าหมายของการกระทาของเราจากการที่เราจะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะทะชนิดต่างๆขอให้เราหันมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบ จากการกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้มันหมดไปจะดีกว่าโดยการมารักษาศีลแล้วก็มานั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่เราจะ ไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายเพราะเรายังจะสามารถมีความสุขได้ด้วยการทำใจให้สงบนอนอยู่บนเตียงนอนอยู่ในโรงพยาบาลเราก็ยังมีความสุขได้ถ้าเรามีสติมีความสามารถที่จะทำใจให้สงบเราก็จะมีความสุขได้ แล้วถ้าเราสามารถกำจัดความอยากต่างๆได้เราจะมีความสุขที่ถาวรความสุขที่เราได้จากสมาธิเป็นความสุขที่เราต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเติมด้วยสติเวลาใดที่เราไม่ได้เติมด้วยสติใจเราก็จะไม่สงบไม่สงบแล้วใจของเราก็จะทุกข์ได้ ทุกกับความแก่ทุกกับความเจ็บทุกกับความตายได้แต่ถ้าเรามีปัญญาที่จะมากําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ใจของเราก็จะสงบไปตลอดไม่ต้องใช้การนั่งสมาธิมาทําให้ใจสงบใจจะสงบด้วยการไม่มีความอยาก ด้วยการกําจัดความอยากทั้งสามนี้ให้หมดไปจากใจเพราะความอยากทั้งสามนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สงบพอเรากําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปด้วยการไม่ทําตามความอยากความอยากต่างๆมันจะหมดไปถ้าเราไม่ทําตามความอยากเช่นเราอยากจะดูอยากจะฟังอะไรแล้วเราไม่ดูไม่ฟัง ต่อไปความอยากจะดูอยากจะฟังมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขไม่ต้องดูไม่ต้องฟังอะไรนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาบำเพ็ญมาปฏิบัติกันมารักษาศีลเพราะถ้าเราไม่รักษาศีลเราก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญา เพื่อมากำจัดความอยากต่างๆเพราะถ้าเราถือศีลเราก็จะไม่สามารถไปทำสทิ่งต่างๆที่เราเคยทำได้เช่นเรามาถือศีลแปดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ไม่สามารถไปกินเลี้ยงไปกินอาหารข้ามไม่สามารถไปดูมหระศพบันเทิงอะไรต่างๆไม่สามารถไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเรา เมื่อเราไม่สามารถทํากิจกรรมต่างๆเหล่านี้เราก็จะมีเวลาว่างมีเวลาที่จะมาเจริญสติมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเนี่พอเรามีสติเราก็จะสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้พอเราหยุดความคิดได้ใจก็จะสงบใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่ดีกว่าจากการไปทํากิจกรรมต่างๆที่เรา ละเวนจะเป็นความสุขมากกว่าที่เราไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเป็นความสุขที่ดีกว่าจากการไปรับประทานอาหารค่าไปงานเลี้ยงเป็นความสุขที่ดีกว่าจากการไปร่วมรับนอนกับคู่ครองของเราถ้ามีความสงบแล้วเราจะไม่ต้องทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แล้วถ้าเราต้องการให้ความสงบนี้เป็นความสงบที่ถาวร เวลาที่เราเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญามาหยุดมันหยุดมันด้วยการชี้บอกให้เห็นว่าความสุขที่เราได้จากการทาตามความอยากมันเป็นความสุขชั่วคราวพอมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเะฉะั้นอย่าไปหาความสุขชั่วคราวหยุดความอยากดีกว่าพอเมื่อหยุดความอยากล้วใจก็จะสงบอย่างถาวร ใจจะมีความสุขอย่างท้าวอนอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอย่างใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกทั้งหลายตอนนี้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจที่ไม่มีความอยากอยู่ในใจหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกแล้วเมื่อไม่มีความอยากก็เลยไม่มีอะไรมาทำให้ใจไม่สงบใจของพวกเราที่ไม่สงบกันทุกวันนี้ก็เพราะความอยากของพวกเรานี้เอง ถ้าพวกเราสามารถหยุดความอยากฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหายไปจากใจเมื่อไม่มีความอยากอยู่ในใจแล้วใจของเราก็จะสงบสงบโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องนั่งสมาธิเพราะเป็นความสงบเหมือนกันเป็นความสุขเหมือนกันเพียงแต่ว่าความสงบของในสมาธิยังเป็นเหมือนกับความสงบ เทียมอยู่ก็คือเราต้องใช้สติคอยกดใจคอยกดความอยากไว้แต่ถ้าเราใช้ปัญญาเราจะกําจัดความอยากได้เราไม่ต้องกดมันเรารู้วิธีกําจัดมันวิธีกําจัดความอยากก็คือเวลามันอยากก็อย่าไปทําตามความอยากไม่ต้องไปกดมันอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันก็จะหมดกําลังไปเอง พอหมดกําลังไปแล้วทีนี้มันก็จะไม่มาบรบกวนใจเราอีกต่อไปใจของเราก็จะสงบไปตลอดนความสงบไปตลอดของใจเราเรียกว่านิพานนนิพานปรมังสุ ข, ขังนิบานังปรมังสุขขังนิพานเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นบร ม, มสุขเนี่ยเพราะจะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากโผล่ขึ้นมานั่นเอง ใจก็จะสุขอย่างนี้ไปอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องมาแบกร่างกายมาทุกขกับร่างกายมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่พวกเรากําลังทํากันอยู่ในขณะนี้และยังจะต้องทําต่อไปอีกจนกว่าเราจะสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้แล้วก็หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้ ให้หมดไปได้เมื่อเราทำได้แล้วใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนี่คือประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันเมื่อเราได้สาเร็จแล้วเราก็มาสั่งมาสอนมาบอกผู้อื่นผู้ที่อยากจะดับความทุกข์ที่มีในใจต่างๆก็สอนให้เขาดับด้วยสติทำใจให้สงบ เมื่อใจสงบแล้วหลังจากออกจากความสงบมาถ้าเกิดความอยากก็อยากไปทำตามความอยากให้ฝืนความอยากไปแล้วต่อไปความอยากนั้นก็จะหมดกำลังไปแล้วใจก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่ใจอีกต่อไปใจก็จะสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือหลักของพระพุทธศาสนา สอนให้เรายังประโยชน์ให้กับตัวเราก่อนก่อนที่เราจะไปยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะถ้าเรายังสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราไม่ได้เราจะไปสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรประโยชน์ที่เราไปทำให้แก่ผู้อื่นถ้าเราไปทำก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวประโยชน์ทางร่างกายเช่นถ้าเรามีเงินทองเราก็ไปซื้อข้าวของ ไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็ช่วยได้เป็นครั้งเป็นคราวไปเท่านั้นเดี๋ยวเขาก็เดือดร้อนขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราสามารถสอนให้เขาหยุดความอยากต่างๆได้เขาจะไม่ทุกข์กับความเดือดร้อนของทางร่างกายเลยร่างกายจะอดอยากขาดแคลนอย่างไรเขาก็ไม่ต้องมาขอร้องเราให้ช่วยเหลือเขา เพราะเขาไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากเดือดร้อนของร่างกายเพราะใจของเขาไม่มีความทุกข์ใจของเขามีความสุขดังนั้นมาช่วยมาสอนให้เขามีความสุขทางใจไม่มีความทุกข์ทางใจดีกว่าอย่าไปช่วยการบำบัดความทุกข์ทางร่างกายหรือสร้างความสุขให้กับทางร่างกายเลยว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว แล้วก็เป็นความสุขที่สู้ความทุกข์ของทางใจไม่ได้ถึงแม้ร่างกายเขาจะสุขแต่เวลาใจเขาทุกข์นี้ความสุขทางร่างกายก็ไม่มีความหมายเลยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใจของเขามีความสุขแล้วต่อให้ร่างกายเขาทุกข์อย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรดังนั้นขอให้เรามาช่วยกันสร้างความสุขทางใจกันดีกว่าดับความทุกข์ทางใจกันดีกว่า เพราะว่าเป็นการาทาประโยชน์ให้แก่ตัวของเราอย่างแท้จริงและทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างแท้จริง เ, เป็นความสุขที่ถาวรเป็นการสิ้นสุดของความทุกข์ที่ถาวรานี่เกืดสิ่งที่เราควรจะมาทำกันและการที่เราจะมาทำงานเหล่านี้ได้ก็อยู่ที่การเราลึกถึงความตายอยู่เรื่อย ให้เราเราเกว่าร่างกายของเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายความสุขต่างๆที่เราหาได้จากร่างกายมันก็จะหมดไปอย่าเสียเวลามากับการหาความสุขทางร่างกายเลยให้มาเสียเวลากับการหาความสุขทางใจกันดีกว่าเพราะความสุขทางใจจะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์ กับความทุกข์ทางร่างกายไม่ต้องทุกข์กับความแก่ไม่ต้องทุกข์ ก, ก, กับความเจ็บไม่ต้องทุกข์กับความตายของร่างกายนี่คือสิ่งที่พระธเจ้าได้ส่งสอนทรงบอกพวกเราให้พวกเรามาปฏิบัติมากระทํากั น, กนและพวกเราทุกคนสามารถทําได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนอการกระทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี้ไม่ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรครสิ่งที่จะมาเป็นอุปสรรคก็คือความไม่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าและไม่มีความเพียรพยายามเท่านั้นเองรอเรื่องของเพศเรื่องของวัยเรื่องของสถานภาพนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคผู้หญิงก็ปฏิบัติได้ผู้ชายก็ปฏิบัติได้ เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นักบวชก็ได้คารวะผู้ครองเรือนก็ได้คนชาติไหนก็ได้คนไทยก็ได้คนต่างประเทศก็ได้ปฏิบัติได้กันหมดเพราะจิตใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดจิตใจที่แท้จริงนี้ไม่มีเพศไม่มีวัยสามารถปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธเจ้าได้กันทุกคนสิ่งที่จะทำให้เราไม่ได้ปฏิบัติก็คือ ความไม่มีศรัทธาและไม่มีความภาคเพียรพยายามเท่านั้นเองถ้าเรามีศรัทธาต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้สามารถนำความสุขความที่แท้จริงมาให้กับเราได้สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้ถ้าเรามีศรัทธาอย่างนี้เราก็จะพร้อมที่จะปฏิบัติ เมื่อเราพร้อมเราก็ต้องมีความภาคเพียรต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องมีความพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆยากหรือง่ายก็ไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายไม่ท้อถอยพยายามปฏิบัติไปมากมากบ้างน้อยบ้างตามโอกาสบางเวลามันยากก็ปฏิบัติน้อยหน่อยบางเวลามันง่ายก็ปฏิบัติมากหน่อยการปฏิบัตินี่มันก็จะเป็น แบบล้มลุกคุกคานไปก่อนตอนต้นก็ยืนยืนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ล้มล้มเดี๋ยวก็ยืนขึ้นไปใหม่แต่ถ้ามไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวต่อไปก็ยืนได้ต่อไปก็เดินได้ต่อไปก็วิ่งได้ขอให้เรามีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความเพียรพยายามอย่างแก่กล้าขอให้เราลึกถึงคาที่เขาพูดกันไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่น หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรไม่มีอะไรจะทำให้เราหลุดพ้นได้นอกจากความเพียร น, นอกจากความศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจแล้วรับรองได้ว่าเราจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างแน่นอนเพราะมีบุคคลทุกประเภททุกวัยที่ได้หลุดพ้นกันมาแล้วในอดีต และกำลังหลุดพ้นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็อาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลเหล่านั้นก็ได้ถ้าเรามีศรัทธาและมีความภาคเปลี่ยนจึงขอฝากเรื่องของความไม่ประมาทในชีวิตให้ท่านได้นำเอาไป พ, พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากครังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกปรปฏิอิตท่ตังปัตท่ตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปนะระโสยทามเนจโชติระโสยทัสสะพีติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนัสสีฤทธะนิจจังวุฒาปะจายโน จัตารโอธัมมาวะทานติอายุวโนสุขังภาล่งช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านที่มีคำถามอยากจะถามเดี๋ยวก็เรื่องการปฏิบัติก็ขอเชิญถามได้ในตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขอ อ, อนุญาตไม่ตอบเพราะเหนื่อยตอบอยากจะถามว่าถามตอนนี้ถามไปกระท่งถึงเวลาที่เราเลิกประชุมพอเลิกแล้วอย่ามาถามเลยเพราะไม่มีกำลังที่จะพูดนะถ้ามีใครมีคำถามอยากจะเข้ามาก็มีไมโครโฟนให้ถามพูดได้อ น, นี้ทาง f a c e b o o เข้ามาเท่าไหร่ ส า, ามร้อ ย, ยกว่าอ ะ, อะมานั่งนี่เห็นเดี๋ยวอนั่งนั่งนี้ก็ได้อ่าถาาอจารย์ครับ เ, เวลาใจจะขาดแบบสุขเสริญนี้ตั้งสติแบบใดครับตอนี้มันมันทรมานมากครับมันเป็นหลายครั้งแล้วก็ให้อยู่กับพูดโธรไปก็ได้อยู่กับลมไปก็ได้ให้ดูเฉยเฉยอย่าไปมีปฏิจิริยากับอาการของร่างกาย ปลมันม er, ันจะขาดก็ปล่อยมันขาดทุรนทุรายทุรนเพราะว่าเราไม่อยู่เฉยๆไงถ้าเราเฉยๆมันก็ไม่ทุรนทุรายเนี่ยใช้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปนะมันก็จะไม่ทุรนทุรายต้องมีอะไรหยุดใจใยมันใจมันดิ้นไงเพราะมันเจออะไรเหตุการณ์ที่มันไม่ชอบมันก็จะดิ้นอ่เราก็ต้องหยุดให้มันดิ้นเพราะความดิ้นของใจมันทรมานถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็จะไม่ดิ้น แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆมันจะดิ้นเพราะเรายังเฉยไม่เป็นครับต้องโอเคครับคือคือของอาการการปฏิบัติของผมครับคือคือตอนตอนแรกเหมือนเหมือนผมเห็นในในความเจ็บปวดครับจะจะมีสมาธิแล้วก็มีความว่างอยู่ครับแต่ทีนี้ เมื่อเมื่อเอาลงชุดแรกแล้วนะครับก็ก็จะได้สมาธิแล้วก็ความนิ่งนะครับแต่ว่าชุดสองเวลามันมาใหญ่นะครับทีนี้ใช้ใช้วิธีการกดความเจ็บปวดมันไม่ลงครับก็ อ, อย่าไปกดมันเสียเขแล้วห้ามมันไม่ได้มันจะเจ็บก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ครับวิธีที่จะทําให้เราอยู่กับมันให้ได้ก็คือเราอย่าไปยุ่งกับมันเหมือนกับเสียงเครื่องบินเนี่เห็นไหมมันดังเราก็ไปทำอะไรไม่ได้ แต่เราอยู่กับมันได้ถ้าเราเฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายปัญหาคือพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราอยากให้มันหายแสดงว่าเราไปยุ่งกับมันนะพอเราอยากใจเราก็ร้อนใจเราก็ทุรนทุรายขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดความอยากไม่ได้เราก็ต้องใช้พุทโธช่วยบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วเดี๋ยวความเจ็บมันก็จะ ความอยากให้มันหายมันก็จะหยุดแล้วความทรมานมันก็จะหายไปคือแล้วอาการของผมคือว่าตอนตอนแรกผมวางใจเรื่องเรื่องความเจ็บนะครับคือว่ามันก็ลงให้ความสงบรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ก็ไปไปแช่อยู่ในความสงบได้สักพักใหญ่แบบว่าก็ได้ยาวแล้วก็คราวนี้ความความเจ็บที่ว่าใหญ่โตวกว่า ม, มาครับ <ừ> คื อ, ค, อคือครั้งแรกการคุมใจของผมก็คือว่าใช้ใช้ความเจ็บนี่เป็นกสิทธ์เลยคือว่า เป็นอ้วนอยู่ในบรรยากาศในในการนั่งสมาธิเลยคือจับจับความเจ็บเป็นอารมณ์ไปเลยครับแล้วแล้วมันก็ลงให้ได้ในในชุดแรกครับทีนี้เวลาต่อไปปึ๊บความเจ็บแบบนี้ก็มาใหม่แต่ว่ามันจะเลื่อนเวลาจากจากที่ว่าผมเคยนั่งไม่นานแล้วก็มาคราวนี้ก็เวลาสองชั่วโมงแล้วก็มาเวลามาแล้วมาใหญ่เลยคราวนี้แล้วก็ผมใช้วิธีการการจับความเจ็บปวดเป็นอารมณ์แบบครั้งแรกใช้ไม่ได้แล้วครับก็เพราะว่าใจเรามันอยากจะให้มันหาย อย่าไปอยากให้มันหายให้ดูมันเฉยๆมันจะหายหรือไม่หายก็เรื่องของมันเหมือนเสียงเครื่องบินเนี่ยมันจะหายหรือไม่หายก็เรื่องของมันขอให้เรารู้กับมันไปรู้กับมันไปเฉยๆไปอย่าไปอยากถ้ามันดูดูแล้วไม่มีกำลังที่จะดูเพราะเกิดความอยากให้มันหายเราก็ต้องใช้คําบริกรรมมาช่วยบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป หรือถ้าเราจะใช้ปัญญาก็พิจารณาความเจ็บว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราความเจ็บมันอยู่ที่ร่างกายร่างกายมันก็ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายมันก็ไม่รู้เรื่องของความเจ็บกระดูกหรือเนื้อหนังที่มันเจ็บมันไม่รู้ว่ามันเจ็บมันไม่เดือดร้อนแต่ใจผู้ดูมันกลับไปเดือดร้อนทั้งทังที่ใจไม่ได้เป็นผู้เจ็บนเราก็ต้องสอนใจว่าเราไม่ได้เจ็บ เราเป็นผู้ดูความเจ็บผู้รอบรู้ความเจ็บนยความเจ็บเป็นเรื่องของร่างกายร่างกายก็ไม่เดือดร้อนแล้วเราไปเดือดร้อนแทนร่างกายทาไมสารมันให้มันรู้จักปล่อยวางปล่อยวางอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บหัดอยู่กับมันให้ได้อย่าไปกลัวความเจ็บถ้ากลัวความเจ็บแล้วมันก็จะอยากให้มันหายเพราะว่าเราต้องยอมรับว่ากลัว้วไม่กลัวเราก็ไม่สามารถกจัดมันได้ มันมาเองแล้วมันก็ไปเองในขณะที่มันอยู่เราก็สามารถอยู่กับมันได้ถ้าเราอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากหนีจากมันก็ดูมันไปเท่านั้นเองอสองใบให้คุณตาคำถามจากคุณวีรพรนะครับ การที่จะวัดได้ว่าเราได้ผ่านปัญหาที่เข้ามากระทบใจเช่นเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนก่อนปฏิบัติธรรมอาจจะโกรธและอาจจะตอบโต้แต่พอปฏิบัติไปแล้วพอเจอเหตุการณ์แบบนั้นเรากลับนิ่งเฉยโดยไม่โกรธแบบนี้ถือว่าเป็นการสอบผ่านปัญหาความโกรธได้ไหมคะเพราะบางครั้งก็ยังสับสนระหว่างคาว่าสันติโก กับหลงติดดีจนไม่แน่ใจว่าผ่านจริงไหมเอาก็ดูที่ใจของเราเป็นหลักถ้าใจเราเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆก็ผ่านใครก็ด่าเราเราก็เฉยไม่เกิดความโกรธความเสียใจความน้อยเนื้อต่ำใจก็ดูแค่ตรงนั้นอย่าไปดูว่าสันทิฏฐิโกรหรืออะไรต่างๆอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันที่เราเอาเข้ามา เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยไม่มีความจำเป็นให้ดูตรงที่ใจเราว่าใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์การปฏิบัตินี้เพื่อกําจัดความทุกข์ใจที่เกิดจากการไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆเช่นารคําราหานินทาคาดูถูกดูแคลนเวลาเขาพูดแล้วเราเสียใจหรือเปล่าเราน้อยใจหรือเปล่าเราโกรธหรือเปล่าถ้าเราเฉยเราไม่เดือดร้อนก็แสดงว่าเราผ่าน คำถามจากคุณตุ้มนะครับการที่เราอยากไปฟังธรรมพระอาจารย์มากแต่ติดที่ว่าไกลถือว่าเรามีตันหาหรือเปล่าคะคือการอยากที่จะไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราทางจิตใจนี้ไม่เรียกว่าตันหาเรียกว่ามัคเป็นทางดาเนินสู่การดับความทุกข์เนีเช่นความอยากฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นมัคเป็นเหตุที่จะทำให้เราดับความทุกข์ต่างๆได้ เพราะถ้าเราไม่ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะกําดับความทุกข์เราก็ต้องไปฟังธรรมเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากแล้วเราไปไม่ได้เราก็ต้องหยุดความอยากไว้ถ้าปล่อยให้ความอยากนั่นเกิดอยู่มันก็จะทามันก็จะเป็นกิเลสขึ้นมาได้เพราะว่าเมื่อมันอยากแล้วมันไม่ได้ไปตามความอยากมันก็จะทุกข์ได้ดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะทุกข์กับความอยากอันนี้เราก็ต้องหยุดเราต้องใช้เหตุผลว่า ตอนนี้เราอยากไปแต่เราไปไม่ได้แต่เราเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปก็ได้เดี๋ยวนี้เรามีธรรมะมาหาถึงในมือถือเราเลยเปิดมือถือขึ้นมาก็สามารถที่จะฟังธรรมได้ตลอดเวลาทั้งสดทั้งทั้งของที่ อ, อัดไว้บันทึกไว้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความอยากทำความดีนี่ไม่ได้เป็นกิเลสแต่ถ้าอยากทาแล้วไม่ได้ทา เรายังอยากอยู่อย่างนั้นถึงจะเรียกว่ากิเลสคือถ้าอยากแล้วมันทําให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมามันก็เป็นกิเลสแต่ถ้าอยากแล้วมันไม่ได้ทําให้เราเกิดความทุกข์อยากแล้วเราก็ไปทําตามที่เราอยากทําอยากไปฟังธรรมแล้วเราได้ไปฟังธรรมล้วก็ทําไปอยากจะนั่งสมาธิเราก็ไปนั่งสมาธิได้นั่งก็มันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าอยากนั่งสมาธิแล้วไม่ได้นั่งเรายังอยากอยู่แล้วทุกข์ อันนี้เราก็ต้องหยุด say, soul, mm hmm. ไว้ชั่วคราวหยุดความอยากที่จะนั่งสมาธิไว้ชั่วคราวเช่นต้องไปทำงานแต่อยากจะนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ต้องหยุดความอยากนั่งสมาธิไว้ชั่วคราวไม่ใช่ว่าความอยากนั่งสมาธินี้ไม่ดีนดีแต่ต้องมีกาลเทศะต้องมีเวลามเวลาของมันถ้าตอนนี้อยากนั่งสมาธิยังนั่งไม่ได้ก็หยุดไว้ก่อนแขวนไว้ก่อนไปทาสิ่งที่เราต้องทาก่อน เมื่อเราว่างแล้วที่นี่เรานั่งสมาธิได้เราก็มานั่งต่อข้อที่สองนะครับตายแล้วที่แรกที่เราจะไปคือที่ไหนคะก็ที่จิตที่เป็นจิตเป็นอะไรก็ไปที่นั่นมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะบุญบาปที่เราทำอยู่นี่มันจะสะสมมันจะเปลี่ยนใจของเราไปเรื่อยๆมันจะปรุงแต่งใจเราให้เป็นเดราาัจฉานเป็นเปรตเป็นเทศเป็นโทมไปแล้วแต่ สถานภาพที่เรากําลังเป็นอยู่ในขณะนี้เช่นตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่พอเราไม่พอตายปุ๊บเราก็เป็นสิ่งนั้นทันทีถ้าใจเราตอนนี้เป็นเดรัจฉานมันก็จะไปเป็นเดรัจฉานทันทีถ้าเป็นเปรตมันก็จะไปเป็นเปรตทันทีถ้ามันเป็นเทวดามันก็จะไปเป็นเทวดาทันทีถ้าเป็นพระโสดาบันมันก็จะเป็นพระโสดาบันทันทีมันมันเป็นอยู่ทุกขณะมันเปลี่ยนไปเรื่อยตามบุญตามบาปที่เราทํา เหมือนกับบัญชีเงินฝากกับบัญชีเงินกู้เนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าเราฝากบัญชีเงินฝากก็มากถ้าเรากู้บัญชีเงินกู้ก็มากนเรามาบวกลบคูณหารเราก็จะอยู่ที่ว่าเราบวกหรือลบเนี่ยถ้าบวกเราก็เราก็กไรถ้าลบเราก็ขาดทุนบัญชีบุญกับบาปมันก็เหมือนกันเราทำบุญมันก็มันก็ทาให้เราติดลบเราทาบาปทาบุญก็ทาให้เราบวก พอทําบาปมันก็ทําแล้วติดลบนะแล้วเวลาแล้วเวลาทุกเวลามันก็จะบวกบวกกันคูนบวกลบกันอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้อยู่ในฝ่ายบวกหรืออยู่ในฝ่ายลบนะบุญมากกว่าหรือบาปมากกว่าถ้าบุญมากกว่าก็ไปสุขติถ้าบาปมากกว่าก็ไปอบายจขุนอ้อนะครับนั่งสมาธินิมิตเห็นหลวงตามหาบัวเดินมาแล้วยื่นของให้ ลูกยกมือขึ้นรับพอรู้สึกตัวมือยังยกอยู่ไม่ทราบว่าคืออุปทานไปเองหรือเปล่าคะแต่พอกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็มีญาตินำรูปหลวงตามาให้ลูกดีใจมากคะ่ะลูกก่อนหน้านี้ไปขอถวายตัวเป็นศิษย์หลวงตามหาบัวต่อหน้าอธิธาตของท่านคะ่ะก็ให้รู้ไว้ใช่ว่าสายบาแบ่หามก็แล้วกันนิมิตต่างๆนี่มันก็เป็น เป็นภาพที่เรารับรู้อาจจะเป็นภาพที่เราอุปทานสร้างขึ้นมาเองหรือเป็นภาพที่มันมาจากข้างนอกก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็ให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดรู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปจากคุณเทศนะครับถ้าเราภาวนาบทเดิมทุกวันจะได้บุญหรือไม่ครับ ได้ถ้าทำภาวนาแล้วจิตสงบก็ได้บุญถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญจะคุณอ้อ น, นะครับทุกวันนี้ลูกวางอุเบกขาได้กว่าเมื่อก่อนเป็นลูกชอบฟังเทศเป็นประจำทุกวันแม้ตอนทำงานลูกฟังตลอดได้หรือเปล่าคะก็แล้วแต่ว่างานที่เราทำนี่มันจะต้องใช้ความคิดหรือไม่ถ้าเราทำงานต้องใช้ความคิดถ้าเราฟังทาไปด้วยมันก็จะสับสนนะ มันก็จะทําให้ใจเราเก้งไปกิ้งมามันก็จะไม่ได้ทำอะไ้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเต็มที่ฟังธรรมก็ไม่ได้ฟังอย่างเต็มที่ทํางานก็ไม่ได้ทาอย่างเต็มที่เห็นถ้าอยากจะได้อยากจะฟังธรรมได้อย่างเต็มที่ควรจะไม่ทําอะไรควรจะอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆอย่างที่พวกเรากําลังทําอยู่ตอนนี้เรานั่งฟังเฉยๆไม่ทาอะไร ทำทั้งหลายที่เข้ามาในใจมันก็จะอยู่ในใจเราแต่ถ้าใจเราต้องแบ่งไปทำนู่นทำนี่แล้วก็ฟังไปด้วยมันก็ได้ครึ่งหนึ่งมันก็จะได้ไม่ติดต่อกันแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดได้งาฉนั้นถ้าอยากจะฟังทําให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบร่างกายก็ไม่ทำอะไรวาจาก็ไม่พูดคุยกัน ใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับทำที่เราฟังอยู่เพียงอย่างเดียวอย่างนี้เราจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่พระอาจารย์ครับมีผู้ฝากถามว่ายกตัวอย่างวันนี้เราไปทานข้าวเนี่ยแล้วเราเลี้ยงเขาแล้วพออีกวันหนึ่งมาเนี่ยเขาเลี้ยงเรากลับเนี่ยเราจะได้บุญจากเมื่อวานที่เราเลี้ยงไหมครับตัวที่ทั้งสองวันเนี่ยเป็นการไม่ได้เจตนาจงใจต้องการบุญแต่เพียงว่าเราได้เลี้ยงเขาคืม บุญเกิดขึ้นจากการที่เราแบ่งปันเข้าของเงินทองไปส่วนเขามาแบ่งปันให้เราเป็นบุญของเขาเราก็เพียงแต่รับอ น, นิสงค์ของบุญที่เราทําไว้เพราะเมื่อเราทาเขาให้เขาเขาก็อยากจะทําให้เราถ้าเราไปขโมยเงินเขาเขาก็จะกลับมาขโมยเงินเรามันก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทําอย่างใดก็จะได้อย่างนั้น เจตนาของผู้ถามใหมาก็ว่าถ้าเกิดว่าเขามาเลี้ยงคืนเราเนี่ยเราจะได้บุญที่เราเลี้ยงเขาไหมครับไม่ก็บุญจนเราได้ไปแล้วไงตอนที่เราทําปั๊บเราก็ได้แล้วตอนที่เราจ่ายเงินไปนี่จ่ายเราก็มีความสุขแล้วอันนั้นแหละคือบุญแะส่วนการที่เขามาเลี้ยงเรานี้เราไม่ได้ความสุขจากจากจา ก, จากการเสียเงินแล้วเพราะเราไม่ได้เสียเงินเราได้รับความสุขจากการได้รับของของแจกจากเขาอีกทีหนึ่ง อันนี้ไม่เรียกว่าบุญเป็นความสุขที่เกิดจากผลที่เราความดีที่เราได้ทำไว้มันก็กลับมาหาเราคำถามฝากถามนะครับทาอย่างไรเราถึงจะลดอาการเวลาที่จิตไปปรุงแต่งได้คะเพราะจิตชอบฟุ้งและปรุงแต่ ง, ตงมัน้าค่ะก็ต้องมีสติให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับคาบาลกรรมพุทธโธไปบ่อยๆอ ตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยตอนที่เรายังไม่ต้องใช้ความคิดในการทำงานทำการก็ให้พุโทโธไปอาบน้ําก็พุโทโธไปล้างหน้าล้างตาแปรงพันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปถ้าเรามีพุโทโธแล้วมันก็จะใบคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ได้จากคุณจงินีนะครับการที่เราเกิดมาเป็นพี่น้องกัน แสดงว่าเราเคยทําบุญร่วมกันมาใช่ไหมคะก็ไม่แน่หรอกมันบางทีมาเป็นพี่น้องกันแล้วก็มาตีกันก็ได้ก็อาจจะมาอ่าเป็นคู่กรรมกันก็ได้เป็นคู่บุญก็ได้แล้วแต่ถ้ามาเกิดเป็นพี่น้องแล้วรักกันชอบกันออันนี้ก็เรียกว่าเป็นคู่บุญกันถ้าเกิดมาเป็นพี่น้องแล้วมากัดกันมาตีกันมาทะเลาะกันมันก็เป็นคู่กัดกันแล้วแต่จากคุณนัดนะครับ ทำบุญวันพระได้บุญมากกว่าวันธรรมดาหรือเจ้าคะทำไมคนถึงทำวันพระกันเยอะวันธรรมดาวัดมีอาหารน้อยมากก็เพราะว่าวันพระเป็นวันที่เขากำหนดให้ไปทำบุญกันเขาก็เลยหยุดงานพร้อมๆกันก็เลยไปทำบุญพร้อมๆกันการทำบุญนี่ทำวันไหนก็ได้บุญเหมือนกันอยู่ที่ปริมาณบุญที่เราทำทำบุญน้อยในวันพระแล้วทาบุญมากในวันไม่ใช่วันพระ วันที่ไม่ใช่วันพระก็ได้บุญมากกว่าเพราะเราทำมากกว่ามันไม่ได้อยู่ที่วันมันอยู่ที่ปริมาณบุญที่เราทาเช่นเราทำร้อยบาทกับเราทำพันบาทนี้ปริมาณของบุญที่เราได้รับมันก็จะไม่เท่ากันที่คนไปทำบุญวันพระว่าเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมที่เราหยุดทำงานกันในวันพระเพื่อเราจะได้มีเวลาว่างไปทำบุญกันคนก็เลยไปทาบุญกันเยอะ คำถามจากคุณชนะตนนะครับเห็นคนส่วนใหญ่ผู้หญิงเข้าวัดมากกว่าผู้ชายแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่บรรลุธรรมจะเป็นผู้ชายมากกว่าเนื่องจากสาเหตุใดคะหรือในเพศนักบวชผู้ชายมีจำนวนมากกว่าและความแน่วแน่เด็กเดียวของผู้ชายมีมากกว่าเพราะถ้าผู้ชายเข้าวัดมักจะเข้าแล้วก็บวชเลยแต่ถ้าผู้หญิงเข้าวัดก็เชา่ชาก็ไปทาบุญก็ได้บุญในระดับต่ง แต่ผู้ชายถ้าเข้าวัดเขาก็จะไปปฏิบัติเขาก็จะได้บุญในระดับสูงกว่าเพราะการปฏิบัตินี้ต้องใช้พลังทั้งทางใจและทางร่างกายถึงจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ผู้หญิงต้องมีเฉพาะคนพิเศษที่จะทำได้ผู้หญิงส่วนใหญ่ ย, ยังเป็นเป็นจิตใจที่อ่อนแออยู่ ก็ยังพอเจอกิเลสเจออะไรเข้าก็ล้มระเนระนาลร้องไห้อย่างเดียวแต่ถ้าเพื่อนผู้ชายก็จะอดทนอดกั้นจากคุณชุลัยรัตน์นะครับมีเพื่อนบางคนปฏิบัติแบบจิตว่างไม่มีคำบริกรรมถือว่าเขาทำข้ามขั้นตอนใหม่เจ้าคะคือถ้ามีสติ มากจนสามารถหยุดความคิดได้ก็ไม่ต้องใช้คําบริกรรมเช่นถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วบอกอยากคิดไม่คิดนะให้จิตว่างไม่คิดได้ก็ไม่ต้องใช้คําบริกรรมแต่ถ้านั่งเฉยๆแล้วมันไม่ว่างเราก็ต้องใช้บริกรรมบริกรรมเพื่อทําให้มันว่างที่คนบางคนต่างคนนี่มีการได้พัฒนาสติมาไม่เท่ากันอย่างพระพุทธเจ้านี่ตอนที่เป็นเด็กนี่ถ้านั่งอยู่คนเดียวจิตก็ว่างเลย เพอท่านได้พัฒนาสติมามากพอท่านนั่งอยู่เฉยๆคนเดียวไม่มีใครมารบกวนไม่มีใครมาชวนคิดชวนพูดชวนคุยพ่านนั่งอยู่เฉยๆคนเดียวจิตของท่านก็รวมเป็นสมาธิว่างขึ้นมาทันทีแสดงว่าท่านมีสติมากท่านสามารถควบคุมความคิดไม่คิดอะไรพอไม่มีเหตุให้คิดท่านก็ไม่คิดพอไม่คิดจิตมันก็เลยว่างถ้าเราทําอย่างนั้นได้เราก็ไม่ต้องใช้คําบริกรรม แต่ถ้าเรานั่งคนเดียวก็คิดถึงนู่นคิดถึงนี่ไม่ยอมหยุดคิดบางทีคิดกลัวผีขึ้นมาอยู่คนเดียวเวลานั่งดื่อหลายคนไม่กลัวผีพอมานั่งอยู่คนเดียวก่อยกลัวผีขึ้นมาก็ข้อความคิดของเราเอ ง, องถ้าเรายังคิดอยู่เราก็ต้องใช้คําบริกรรมช่วยจะบริกรรมไม่เป็นก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ครับสวดมนต์แล้วฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้ ว่ามันจะทำให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้สแสดงว่า ส, สติเรามีน้อยมากไม่สามารถหยุดความคิดได้ด้วยดวยดยการสั่งให้มันหยุดคิดเราก็เลยต้องมาสร้างสติให้มีกำลังมากขึ้นด้วยการใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปคำถามจาก YouTube นะครับคุณราวันนะครับจิตที่เฉยๆไม่ปรุงแต่งอะไรเป็นประจำปกติ ถูกต้องไหมคะจิต ท, ที่ไม่ปรุงแต่งได้ก็เป็นจิต ท, ที่สงบจิต ท, ที่มีความสุขทีนี้จะอยู่ในระดับไหนก็แล้วแต่เพราะการไม่ปรุงแต่งนี่มันก็มันไม่ปรุงแต่งตลอดเวลาเรื่องปรุงแต่งบ้างไม่ปรุงแต่งบ้างมันก็ยังมีต่างระดับกันไปถ้าเป็นจิตของพระอาหารหันต์จิตของพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเลยถ้าท่านจะคิดอะไรท่านก็ใช้สติเป็นตัวสั่งให้คิด แต่ก็คิดแต่ในเรื่องที่เป็นประโยชน์เช่นความคิดของพระพุทธเจ้านี้ก็คิดไปในทางธรรมเวลาแสดงธรรมก็ต้องใช้ความคิดท่านก็ใช้สติกำกับใจให้คิดไปในทางธรรมแต่พวกเรานี้ถ้าคิดมันจะถูกกิเลสเป็นผู้กำกับให้คิดคิดถึงกระเป๋าคิดถึงรองเท้าคิดถึงขนมคิดถึงที่เที่ยวคิดถึงภาพยนตร์คิดถึงงานอะไรต่างๆมันก็เป็นกิเลสทาให้เกิดความอยากไป ตามสถานที่ต่างๆเหล่านั้นเราต้องหยุดความคิดเหล่านี้นให้คิดอยากทําบุญอยากจะฟังเทศฟังธรรมอยากจะนั่งสมาธิอยากบวชถ้าคิดแบบนี้มันก็จะพาเราไปสู่การกระทาที่จะทำให้ใจเราว่างใจเราสงบใจเราพ้นทุกข์ได้จาคุณธีรวิทย์นะครับจาเป็นไหมครับถ้าเราสวดมนต์และนั่งสมาธิเช้าเย็นจะต้องนุ่งขาวห่วมขาว อ่อไม่จำเป็นหรอกเสื้อผ้าก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติแต่ถ้ามันเป็นธรรมเนียมถ้าเราไปอยู่ตามสถานที่เช่นไปอยู่วัดไปอยู่สำนักที่เขามีการมีธรรมเนียมให้ใส่ชุดนั้นชุดนี้เราก็ใส่เช่นมาบวชพระเขาก็มีธรรมเนียมให้นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็ต้องนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่การปฏิบัตินี้มันไม่ได้เป็น มันไม่ได้ปฏิบัติที่ร่างกายปฏิบัติที่ใจสิ่งที่จำเป็นต่อการปฏิบัติก็คือสติเราต้องมีสติเราถึงจะปฏิบัติได้ผลแต่ถ้าเราใส่ชุดขาวหรือใส่ชุดเหลืองแต่เราไม่มีสตินั่งแล้วก็ฟุง้งมันก็ไม่ผลไม่ได้ผลอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ชุดอะไรแต่เรามีสติคอยกํากับใจใจเราก็สงบได้ผลนั้นการปฏิบัตินี่สาคัญที่สติไม่ได้สาคัญที่ชุด เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ถ้าจะใส่ก็ใส่แบบที่มันสบายสบายไม่ไม่ทําให้อึดอัดกับต่อร่างกายเพราะถ้าร่างกายมันอึดอัดมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ยังไงใส่เสื้อผ้าที่หล้วมๆใส่แล้วสบายจากคุณไทยแลนด์นะครับสวดมนต์ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าขนลุกไปหมดทั้งตัวเวลานอนก็ฝันไปด้วยว่าได้สวดมนต์ อยู่ตลอดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าจิตเราติดอยู่กับการสวดมนต์เวลาหลับเราก็ยังคิดถึงการสวดมนต์อยู่และเวลาสวดมนต์เราก็เกิดปิติขนลุกขึ้นมาเพราะเวลาสวดมนต์ไปเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆใจของเราก็ว่างใจของเราก็สงบในระดับหนึ่งก็เลยทำให้เกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาจากคุณชนะตนนะครับเวลาทางานการมีสติรู้ตัวระหว่างวัน ถ้าเจอสิ่งกระทบแล้วเกิดการพอใจหรือไม่พอใจแล้วเรารู้ทันไม่แสดงอาการออกไปทางกายวาจาถือว่าใช้ได้ไหมคะแต่ถ้าเทียบกับการที่ปีกวิเวกไม่กระทบอารมณ์ใดๆเลยยมเห็นว่าสติก็กาลังก็มีกำลังกว่าและนั่งสมาธิได้ดีกว่ามากนี่เป็นสาเหตุที่พระอาจารย์สอนให้ไปปีกวิเวกเนืองๆหรือออกบวชไปเลยหรือเปล่าคะเพราะผลต่างกันเยอะมาก ใช่เพราะว่าถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่มีเหตุการณ์ต่างๆมันก็จะมากระทบกระเทือนใจเราทำให้ใจเราสงบยากพอเราไปอยู่ที่สงบที่ไม่มีเหตุการณ์ต่างๆก็จะไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนใจใจก็จะสงบง่ายกว่าพรอาจารย์ครับเขาให้อธิบายขันให้เขาเปิดก o เกิลไหมครับพะาารยอเปิด Google ดีกว่านะมันก็เหมือนกันจะได้ไม่เสียเวลา คำถามจะกคุณไอดินนะครับอยากทราบวิธีการที่จะหยุดการมลาคะกับความโกรธให้มากครับมีวิธีไหนที่จะหยุดมันไม่ให้กำเริบหรือน้อยลงหรือหมดไปเลยครับคือมันแล้วแต่ว่าเราสามารถทำในระดับไหนได้ระดับแรกก็ให้เราถือศี 8, ล8ประงับการเสพกามถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะไปเสพกามไม่ได้ ถึงแม้จะมีการมาราคาเราก็เราก็เบรกมันไว้ด้วยศีลถ้าเราเบรกด้วยศีลการมาราคามันก็จะอ่อนกำลังลงได้แต่มันไม่ตายถ้าอยากจะให้มันตายนี้เราต้องระ ง, งับมันด้วยสมาธิและปัญญ า, าต้องมานั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบการมาราคาก็จะหายไปแต่พอเราออกจากสมาธิมาเดี๋ยวใจเราก็ไปคิดถึง แฟนคิดคนถึงคิดถึงคนที่เราชอบก็เกิดการมาราคาขึ้นมาตอนนั้นถ้าเราอยากจะกำจัดให้มันหายไปอย่างถาวรเราก็ต้องพิจารณาร่างกายของแฟนร่างกายของคนที่ชอบว่าไม่สวยงามด้วยการดูส่วนอื่นของร่างกายอย่าดูแต่เฉพาะหน้าตาเผ้าผมรูปร่างให้ดูเข้าไปข้างในดูอาการที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นโครงกระดูก หัวใจตับปอดไตลำไส้และของที่เป็นปฏิกูลต่างๆเช่นปัสสาวะอุจจาระที่มีอยู่ในร่างกายนี้หรือพิจณาตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเป็นซากศพถ้าเราเห็นความส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายการมรรคค่ามันก็จะหายไปอันนี้เป็นขั้นขั้นสูงสุดเป็นการเป็นการกาจัดอย่างถาวร ขั้นสมาธิก็หยุดชั่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิขั้นเสีงก็เพียงแต่กั้นมันไว้ไม่ให้มันพาเราไปทํากิจกรรมทางการเท่านั้นเองแตมันก็ยังมีอยู่ในใจคําถามจากคุณนารานะครับาการถวายผลไม้ที่ถูกวิธีควรทําอย่างไรครับคือผลไม้ที่มันมีมเมล็ดเนี่ยกิด ถ้าสมมติจะถวายมันทั้งลูกเนี่ยต้องทําพิธีก่อนถวายพระจะถามว่าผลมานี้ได้ทําให้พร ะ, ะบริโภคได้หรื อ, อยังญาติโยมก็อาจจะมีมีดอะไรแล้วก็ตัดมันออกมาสักชิ้นหนึ่งราะว่าได้ทําให้บริโภคแล้วคือสมมุติว่าได้ค่ามันแล้วเพราะว่าผลมานี่มันยังมีเมล็ดแล้วมันสามารถเอาไปปลูกแล้วมันยังเจริญโ ต, โตโตขึ้นมาได้ ถ้าพ้าฉันผลไม้แล้วไปเคี้ยวเม็ดเกืนเม็ดเข้าไปก็จะถือว่าเป็นการาพากของที่มีชีวิตคนโบราณเขายังเชื่อว่าผลไม้ต้นไม้นี่เป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่ถ้าไปทำลายมันไปก็เหมือนกับไปทําปานาติบาตก็เลยต้องให้ญาติโยมฆ่ามันก่อนด้วยการหักมันหรือถ้าเป็นสมมติว่าเป็นผักชีนี่ก็หัดอเอาหักให้มัน ที่มีส่วนที่เป็นรากออกไปก่อนแต่ทําเป็นพิธีทําเป็นแพ่เพลงต้นเดียวก็พอถ้าเป็นเงาะก็ปอกเปลือกหน่อยแกะเปลือกหน่อยอะไรทำนองนี้ถ้าเป็นพริกก็หักมันหน่อยเราบอกว่าได้ทําให้มันตายแล้วทําให้มันสชำพวนกับการบอนในโพกแล้วบางคําถามนี่เป็นคําถาม ท, าที่เกี่ยวกับความหมายต่างๆนี่ผมขออนุญาตไม่อ่านนะครับเพราะว่าให้หาใน Google จะจะสะดวกวะะดวกว่ า, กวาะก็มีรายละเอียดที่ละเอียดกว่าเยอะกว่าขอถามทางวิธีปฏิบัติดีกว่าคําถามเจ้าคุณณพลนะครับหนีจากสังคมที่ยั่วโมโหการปีกวิเวกไปเพิ่มกําลังอุเบกขาสักระยะแล้วค่อยกลับมาเข้าสังคมที่ชอบยั่วโมโหกันเช็คหัวใจตนเองอย่างนี้เรียกว่าได้กระทําการปฏิบัติหรือเปล่าครับ คือการปฏิบัติก็คือเป็นการเป็นสร้างพลังอุเบกขาให้กับใจนั่นเองคือให้ใจไม่สะทกสะท้านกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสรับรู้ตอนนี้ถ้าไม่มีอุเบกขาเวลามาสัมผัสรับรู้ก็จะเกิดความรักชังกลัวหลงขึ้นมากับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ได้ใจเราก็จะวุ่นวายใจเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไปฝึกสมาธิอยู่คนเดียวไปเจริญปัญญาจนกระทั่งสามารถ ควบคุมใจให้เป็นอุเบกขาได้ตลอดเวลาเวลาเรามาสัมผัสกับสิ่งต่ตางๆใจเราก็จะเฉยๆไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้ก็เรียกว่าการไปปีกวไวน้เป็นการไปปฏิบัติเพื่อไปสร้างพลังจิตสร้างอุเบกขาเมื่อสร้างแล้วก็กลับมาอยู่ในโลกได้มาเกี่ยวข้องกับโลกได้เช่นพระพุทธเจ้ากับพระหลานทั้งหลายท่านก็ หลังจากที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็กลับมาเกี่ยวข้องกับโลกท่านก็มาสั่งมาสอนมาทำอะไรกับสังคมต่อไปแต่ใจของท่านนี้เป็นเหมือนกับน้บําบนใบบัวหยวดน้าบนใบบัวใจของท่านนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ไปใจของท่านเป็นเหมือนใบบัวส่วนหยดน้านี่ก็เป็นเหมือนเหตุการณ์ต่างๆมันจะสัมผัสรับรู้แต่มันจะไม่ซึมซาบเข้าหากันไม่เหมือนใจของพวกเรา ตอนนี้เปนเหมือนกับกระดาษซับกับหยดน้ําพอหยดน้ําลงไปบนกระดาษซับนี่มันดูดกันเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันเลยพอเราเห็นอะไรนี่เราเต้นไปกับมันเลยได้ยินอะไรก็ไปเต้นไปตืนปต่นไปเต้นกับมันเลยแต่สําหรับใจที่มีพลังมีอุเบกขาแล้วจะไม่ไม่ดูดซับไม่ซึมซับเข้าหากันจะรู้กันจะรู้แต่ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ จะคุณต้นทุนนะครับประชาชนคนธรรมดาจะใช้เวลาปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมขั้นแรกชั้นพระโสดาบันอย่างช้าเจ็ดปีใช่หรือไม่อ๋อไม่หรอกแล้วแต่แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนธรรมดาเป็นพระหรือใครก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่ความเป็นประชาชนหรือเป็นพระหรือเป็นหญิงเป็นชายมันอยู่ที่สติปัญญาที่ได้สร้างมามีมากมีน้อย บางคนได้สร้างมามากบางทีปฏิบัติแค่เจ็ดวันก็ได้ mm hmm. ไม่ต้องเจ็ดปีพระพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันก็ได้เจ็ดเดือนก็ได้เจ็ดปีก็ได้ขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่คือสติปัญญาที่เราได้สร้างมาในอดีตว่ามีมากมีน้อยถ้ามีมากมันก็จะทําให้เราไปเร็วถ้ามีน้อยมันก็จะไปชา้าจ้ะ จะคุณนันทิดาครับรู้สึกน้อยใจง่ายควรจาัด ก, การกับใจิตใจอย่างไรดีคะก็ใจเราอ่อนไหวไม่มีสติเนียก็พยายามฝึกสร้างสติขึ้นมาก่อนหัดพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆต่อไปใจเราก็จะมีความนิ่งเฉยมากขึ้นแล้วเวลามีเหตุการณ์มากระทบก็จะน้อยใจลงน้อยลงแต่ความน้อยใจยังไม่หมดจากการมีสติน การที่จะทำให้ใจเราน้อยใจหายลงไปเราต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญากันกำจัดความอยากต่างๆเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็น้อยใจเสียใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากได้ใจเราก็จะเฉยๆเะฉนั้นเราต้องใช้ปัญญาสอนใจให้อย่าไปอยากได้อะไรเพราะอยากแล้วถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจจะน้อยใจได้มาก็จะ ต้องมาคอยดูแลรักษาต้องมาห่วงมาห่วงแล้วเดี๋ยวเกิดสูญเสียไปก็ต้องมาเสียใจสู้อยากปอยากมีอะไรดีกว่าอยู่แบบไม่มีดีกว่าอยู่กับความสงบอยู่กับการนั่งสมาธิอยู่กับการทําใจให้ว่างดีกว่าเพราะจะไม่มีวันเสียใจจะไม่มีวันน้อยใจคุณดานนะครับถามพระอาจารย์การพิจารณาอสุภะโดยใช้รูปเช่นรูปถ่ายของผู้เสียชีวิตไปแล้ว เราควรจะบอกเจ้าของศพดังกล่าวว่าเราทำกุศลให้หรือไม่มีวิธียังไง อ, อ๋อคงไม่ต้องมั้งเพราะว่ามันก็เป็นภาพที่เราเออที่เขาเผยแพร่ให้แก่สาธารณะแนละ้วก็ไม่มีถ้าไม่มีลิขสิทธิ์หรือไม่มีคำขอร้องว่าต้องไปขออนุญาตคนตายก่อนก็เอามาใช้ได้แต่ถ้าเขาเขียนว่าใครจะใช้ภาพแบบนี้ต้องไปขออนุญาตก่อนก็เราก็ต้องไปขออนุญาตเขา สเตฟานมอรลิสแจ้งมาว่าขอบคุณที่ทำให้เขาได้ฝึกได้หนักและขอบคุณอบุคคลต่างๆที่ช่วยให้เขาหาทางออกได้ครับคร so <to> ับทุกหมดครับอาจารย์มากพ อ, พอดีอดอเดี๋ยวขอให้ถามตรงนี้ช่วยส่งมาหนูช่วยส่งมก็ให้หน่อยจ้าค่ะพอดีมีเพื่อนชาวฮ่องกงฝากมาถามว่า ยิ่งปฏิบัติไปเรื่อยๆรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วเราจะตอบเขาว่ายอย่างไรเจ้าค่ะเขาเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายกับการปฏิบัติหรือเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนี้เบื่อหน่ายกับสิ่งที่เขามีอยู่กับปัจจุบันที่ได้เห็นด้วยตาเจ้าค่ ะ, ะก็ถ้าเบื่อก็ทิ้งมันไปสิเราม า, าหาความสุขจากการปฏิบัติดีกว่า เพราะความสุขที่ได้จากการปฏิบัติเป็นความสุขที่ดีกว่ามีน้ำหนักมากกว่าให้ความอิ่มความพอส่วนความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆนี้มันเป็นความสุขปลอมได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอมหมดไปมันก็ทำให้เราเสียใจถ้าได้มาบ่อยๆ บ, บ, บางทีมันก็เบื่ อ, อยนันก็อย่าไปหาความสุขแบบนั้นให้เปลี่ยนการหาความสุขจากการมาฝึกนั่งสมาธิกันให้มากๆขึ้นจะดีกว่า ถ้าเขานั่งสมาธิได้ใจเขาสงบแล้วเขาก็จะทิ้งสิ่งต่างๆได้เขาถามฝากมาถามว่าตอนนี้เนี่ยเขายังเป็นนี่อยู่แต่เขาอยากจะปฏิบัติไปบวชเนี่ยแล้วเขาจะได้บุญไหมเจ้าคะ่ะเรื่องปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้ผลมันก็ได้บุญส่วนเรื่องนี่เราก็ต้องใช้เข้าไปถ้าเราถ้าเรามีเราก็ควรจะใช้เขาไปเพราะถ้าไม่ใช้มันก็เป็นเหมือนกับการทําบาป เป็นการเหมือนรักทรัพย์ของผู้อื่นหรือหลอกลวงผู้อื่นอยงั้นก็ถ้ามีนี่ก็ต้องใช้มันมันคนละเรื่องกันเรื่องนี้ก็เรื่องของนี่เรื่องของการปฏิบัติก็เรื่องของการปฏิบัติค่ะแล้วก็คําถามสุดท้ายจากโยมเองเจ้าค่ะจากผลการปฏิบัติมาแล้วก็ได้เจอแมวสัตว์ตัวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนมาให้ก็เพื่อจะไปหาให้ผู้ประกาละคุณเลี้ยง พอไปถึงปุ๊บแล้วก็มีแมวเจ้าของบ้านตัวหนึ่งเนี่ยตอนแรกก็มาด้อมๆมองๆแล้วก็ทำดีสุดท้ายก็กัดที่คอตายแล้วก็จิตของโยมเนี่ยรู้สึกไม่ได้โหดขู่หรือว่าอะไรแต่มีความรู้สึกขึ้นมาว่าเหมือนกับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ่ะก็ถูกครับเพราะว่ามันเป็นกรรมของเขา ทำไมมันเขาแมวไม่มากัดดาวมันไปกัดแมวด้วยกันยังก็ถือว่าเมื่อถึงเวลามันก็ต้องรับผลกรรมไปขอบพระคุณจ้าค่ะถ้าเราไปทุกข์ไปวุ่นวายใจนั้นแหละจะไม่ถูกต้องถ้าเราไปเสียใจพ่อไปคิดว่าเราเป็นเหตุที่ทําให้เขาตายความจริงเราก็ไม่ได้เป็นเหตุเราก็มีความปรารถนาดีที่จะหาบ้านให้เขาอยู่แต่เราอาจจะไม่รอบครอบก็อาจจะเสียตรงนั้นะ ถ้าเรารอบครอบเราก็ควรที่จะ ก, การมันอย่าให้มันไปเจอกันแต่ถ้ามันจะอยู่บ้านเดียวกันแล้วเดี๋ยวมันจะกัดมันก็กัดกันอยู่ดีแต่ถ้าเราไม่เสียใจก็ถือว่าใช้ได้แต่เราอย่าไปดีใจก็แล้วกันอย่าไปดีใจแต่อย่าไปเสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมีเกิดก็ต้องมีตายเป็นธรรมด า, ามีอีกไหมคนจ้าค่ะ อาจารย์ครับมีข้อนึงครับจากคุณฮานิ่งนะครับผู้กําลังปฏิบัติเพื่อบรรุสโสดาปฏิผลแต่ยังไม่บรรลุแต่เสียชีวิตเสียก่อนแบบนี้เรียกว่าก็ไปทําต่อถ้อออามรรคหรือไม่ถ้ายัางถ้ากําลังจเจริญมักคอยู่เมื่อตายไปไปเกิดใหม่ก็จะไปจะเจริญต่อหมดแล้วนะอเอาแค่นี้ก่อนก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ